ขอความเจริญในธรรมจงมีดท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอพระสูตรในสังยุตติกายสืบอต่อกันมาก็สองวักแล้วก็วักหนึ่งก็ประมาณสิบพระสูตรต่อไปเราจะพูดในวักที่ปักทิ่ รบที่สามเรียกว่าสัตดิสูตรคือสูตรที่อุปมาเหมือนห อ, อกคือหมายความว่าเป็นการพูดถึงคนซึ่งปฏิบัติตนเหมือนกระห อ, อกเหมือนกับคนที่ถูกแทงด้วยห อ, อกต้องพยายามถอนห อ, อกออกจากตัวเอง เป็นคำกราบทูลของเทวดาในลักษณะเทียบเกียงความคิดเห็นของท่านต้องการทราบว่าในกรณีเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงมีความคิดเห็นยังไงท่านกล่าวว่าภิกษุพึงมีสติเว้นรอบ เปื่อลากามราคะเหมือนบุรุษที่ถูกประหารด้วยหอกมุ่งตอนเสียและเหมือนบุรุษที่มุ่งที่ถูกไฟไหม้บนศีษะมุ่งดับไฟฉะนั้นแต่ข้อนี้ก็อย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่าผุกุศลอกุศลเนี่ยมันเป็นนามธรรมเราไม่สามารถจะสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสอย่างอื่นนอกจากจิต อันนี้จิตมันก็คือจิตใครก็จิตคนนั้นจะสัมผัสในส่วนกุศลเรื่องกุศลก็เป็นเรื่องเฉพาะจิตของบุคคลนั้นๆในขณะนั้นๆก็หมายความว่าไม่ใช่เป็นการสัมผัสตาย ต, ายตัวคือสาสตใที่เรายังเป็นสามัญชนอยู่เขาเรียกว่าเป็นไปตามอานาจของจิตแล้วก็จิตเป็น จิตเองก็เป็นไปตามมนา์ของเจตสิกซึ่งเกิดเกิดขึ้นปรุงแล้วก็มีตัวกระตุ้นจากข้างนอกบ้างหรือไม่มีตัวกระตุ้นจากข้างนอกบ้างก็แล้วแต่แ ก, การพูดถึงกิเลสคำมราคะวันก่อนพูดถึงเป็นลักษณะของการย้อมจิต กิเลสประเภทราคะประเภทโลภานั้นจะเหมือนก็นสีต่างๆที่เกิดขึ้นในน้ำหรือในอะไรก็ได้มันก็จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปตามสีของมันปัญจที่ถูกราคะคือความกำหนัดในประสูตรก่อนคือสมิีิสูตรนี่ท่านทรงใชง้คำมายอมนะฮะ ในที่นี้เป็นการอุ ป, ปมาวงเหมือนก็หอกฟันยอมก็คือย้อมด้วยสีกระดูแลมันก็เปื้อนแต่ถ้าแทงด้วยหอกเนี่ยบุรณะกลัวเพราะหอกเนี่ยมันถูกแทงแล้วก็ถอนออกได้ง่ายแต่ราคาที่เกิดขึ้น ภายในจิตแล้วก็ฝังอยู่ภายในจิตมันถอนได้ยากการที่คนเราต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัตน้อยใหญ่ก็เพราะมีกิเลสพวกนี้เป็นเครื่องตรึงเอาไว้วันบางครั้งบางคราวนี่ท่านพูดในลักษณะผูกมัดเอาไว้ขังเอาไว้ ตอกตรึงไว้ก็แล้วแต่ก็สรุปอาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นสื่อทีนี้ประเด็นเสนอเนี่ยรเราจะเห็นว่าเป็นการพูดถึงมรรคแล้วก็นำไปสู่สมุทยัยแต่หลักที่เราจะต้องปฏิบัติจริงๆก็คือเจริญที่ตัวมรรคท่านชคคำว่ามีสติเว้นรอบ ทรงเทวดานะฮะเทวดาใชา้คำว่าสติเว้นรอบสตินั้นทนะําหน้าที่ระลึกเป็นการระลึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีต ท, ทั้งของตนและของบุคคลอื่นทั้งดีและไม่ดีได้ในเวลาที่ควรจะรวดเร็วมากๆพราะเรื่องบางเรื่องนั้นต้องการตัดสินใจเร็วถ้าเราระลึกไม่ได้เร็วเนี่ย ก็จะทำให้เราตัดสินใจอะไรไม่ได้เมื่อคืนวันที่เจ็ดพฤศจิกายนเปิดรายการวิทยุไปชื่อพรอมนะฮะบอกว่าคลื่นประชาธิไปไตยแล้วก็กล่าวหาโจมตีอดีตนายก คือให้กล่าวหาโจมตีอะไรก็ว่ากันไปเตะมันเป็นเรื่องของความรักความชังไปการส่ว น, นตัวแต่ว่าการไปบิดเบือนข้อมูลข่าวสารตลอดเลยคือเปิดดูหน่อยแล้วก็อาบน้ำอาบถ่ายแล้วก็มาเปิดดูอีกทีหนึ่นงเอ๊ยยังบิดเบือนอยู่เหมือนเดิมก็ทําไม่เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ย ไม่กลัวบาดนะคือมูสาวาดเนี่ยคนเราถ้าลองเทสได้และทำชั่วได้ทุกอย่างารือเจ้าว่านะไม่ใช่มาว่าเองแกบิดเบือ น, อนว่าท่านนายกอดีตนายก น, ยกนกิกิจกันประชาธิปไตยขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนทั้งคอ่อนประเทศไม่มีสิทธิ์มีส่วนในการบริหารบ้านเมืองโดยเฉพาะ ย, ายิ่งคือคนที่ไม่จบปัญญาตรีเอนี้มันเป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ น, นะอดีตนายกเนี่ยเขาเพิ่งเข้ามาเมื่อสี่สองแล้วเขาเป็นเมื่อสี่สี่แต่รัฐธรรมนูญน่ยก็ออกเมื่อสี่ศูนย์ เขาไม่มีหน้าที่อะไรเลยที่จะไปทำอะไรกับรัฐรรมนูญเขามีหน้าที่ปฏิบัติตามแตนั่นเองแล้วก็พูดถึงประเด็การนายรัฐสภามีสมาชิกมากไอ้นั้นเขาเลือกเขามาคือราษฎรเขาสมัครใหญ่จะเลือกมันก็เรื่องของเขาพอเสียงข้างมากเราก็หาว่าประเด็จการพอเสียงไม่มากมันก็ปกครองบ้านเมืองไม่ได้ เลยก็ไม่รู้ว่าอะไรนั้นแสดงให้เห็นอะไรนะฮะแสดงให้เห็นว่าเราขาดสติการสติที่ควรจะพูดควรจะทำหรือควรจะเว้นเนี่ยโดยเราไม่ได้มองให้ดีว่าเรื่องที่เราพูดเป็นเรื่องบิดเบือนข้อมูลแล้วก็ทำให้คนที่รับฟังเนี่ยเขาใจผิด<อ>และถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเอาไปตอ บ, ตอบแกก็ตอบผิดติ มันเป็นตราบาปซึ่งเราไม่รู้ใครฟังว่าใครฟังอยู่บ้างที่เราพูดเนี่ยประจําผิดก็พูดผิดก็คิดผิดก็ไปกันใหญ่เลยเพราะด้วยสติเนี่ยจะต้องใช้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อบารีทันชายคำว่าสติสัพปัปปติยาสติจําปราตถนาคือจำเป็นต้องใช้ในทุกๆกรณี เราขาดอยงอื่นได้แต่เราขาดสติไม่ได้สติจึงเป็นการระลึกรู้ประคับประคองจิตให้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันหมายความมาแต่ละขณะที่เราทำที่เราพูดที่เราคิดเนี่ยมีสติอยู่ที่ตัวความคิดแล้วสติจะแผ่ไปที่การทำการพูดเพราะถ้ามันเกิดขาดสติขึ้นในช่วงในช่วงหนึ่งเนี่ย ในช่วงที่พูดอาจจะพลาดก็ได้ในช่วงที่เราทำเนี่ยอาจจะพลาดก็ได้เพราะสติจึงกำกับมันแนบมันแนบไปกับคล้ายคลกับอะไรคล้ายคคนรีดผ้านะฮะหรือคล้ายคคนสกบไม้เนี่ยหรือคนที่ตีเส้นบรรทัด ต, ตีไม้บรรทัดขีดเส้นบรรทัดเนี่ยเอาไม้บรรทัดทาบลงไป แล้วก็ลากเส้นมาตามไม้บรรทัดปลายปากกาปลายดินสอก็แนบอยู่กับกระดาษตลอดแล้วเส้นมันจะต่อกันเรการใช้สติในปัจจุบันจะต้องใช้ในลักษณะอย่างนี้นซึ่ง ต, งตามปกติแล้วโอกาสที่เราจะขาดสติที่เรียกว่าเผลอเรอหลงลืมฟังพลาดเลื่อนหมือรลอยเนี่ย มันเกิดขึ้นได้ง่ายเพระอันเทวดาจึงบอกว่าพึงมีสติเว้นรอบแล้วการเจริญของสตินั้นก็คือการตั้งสติไว้ที่กายที่เวทนาที่จิตแล้วก็ที่ธรรมะทัาฟังอาจจะเห็นว่าโอ้ยเป็นเรื่องใหญ่แล้ว จริงไม่ใช่อ่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาประกายก็อะไรละ่ะอยู่กับลมหายใจอยู่กับอิริยาบถสยืนเดินนั่งนอนอยู่กับอิริยาบถ ท, ทั้งหลายทั้งใหญ่ทั้งทั้งเล็กอิริยาบถย่อยทั้งหลายเนี่ยแล้วก็อยู่กับร่างกายที่ประกอบด้วยการาร32สอง เพราะอะไรเพราะตรงนี้เป็นที่ตั้งของความกําหนิดความเพลิดเพลินความชื่นชมความยินดีความกําหนิดความพอใจมีการปรุงแต่งมีการประดับประดามีการเสริมเติมขึ้นด้วยวิธีการต่งตางๆในปัจจุบันนั้นก็มีพวกสัญญกรรม ปกเสริมแต่งกันด้วยวิธีการต่างๆวันก่อนฟังข่าวแล้วก็บอกโอโลกนี่มันไปกันใหญ่เลยเขาบอกว่าที่บราซิลเนี่ยซิลิโคนขาดตลาดคนก็เสริมสวยกันมากชายซิลิโคนเติมนั่นเติมนี้ลดตรงนั้นเติมตรงนี้ะะอะไรต่างๆนี่ พยายนจะกลบเกลื่อนความไม่สวยงามของร่างกายทั้งๆ ท, ที่เติมยังไงมันก็ไม่สวยงามเพราะมันไม่ใช่กายมันเป็นสิ่งที่ไปเสริมเข้ามาเฉยๆกายเป็นที่ตั้งของกามาราคะเราจะกำหนัดในกายเราแล้วก็ต้องการจะปลนปลือกายเราก็ไปกำหนัดในกายคนอื่นเพื่อมาปลนปลือกายเรามาตอบสนองความต้องการของกายเรา ในทีน่นี้ท่านไปเน้นที่การมาราคาเพราะว่าเป็นการพูดกับภิกษุราคาก็คือจิตที่กำหนัดรักใคร่พอใจกำหนัดมันเกิดจากจิตที่กำหนดคือกำหนดก่อนแล้วยังกำหนัดถ้าเราไม่กำหนัดกหนดเนี่ยเราจะไม่กำหนัด เราต้องกำหนดก่อนว่ารูปนี้สวยนะ้าเสียงนี้ไพเรานะน้ากลิ่นนี้หอมนะ้ารสนี้อร่อยนะ้าสัมผัสนี้นะ่าจับต้องนะ้าความกำหนัดจึงเกิดแต่ถ้าเราไม่กำหนดอย่างนั้นเนะี่ยความกำหนัดจะไม่เกิดบางครั้งนอกจากไม่เกิดความกำหนัดแล้วอาจจะเกิดความไม่ชอบด้วยซ้าไปอาจจะเกิดความเฉยเฉยด้วยซ้ำไปจจเพราะจิตกำหนดจึงก่อให้เกิดความกำหนัด บางครั้งการใช้สติพระเจ้าส่งสอนในรูปของการไม่ประมาทคือไม่ประมาทก็คือไม่ขาดสตินั่นแหละก็อันเดียวกันระมัดระวังที่ใจหลยมันมีอารมณ์กระตุ้นมาจากข้างนอกจะเป็นอารมณ์อะไรก็ไม่รู้แหละใจเราจะสั่นไหวไปกับอารมณ์เหล่านั้นก็แล้วกัน อารมณ์นั้นเจตจำนงต้องการจะกระตุ้นกามราคะให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเราก็ะ ร, ะ, รกะมัดระวังที่ใจของเราอยา้เกิดกำหนดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความกำหนดหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความกำหนดหรือเจตนากระตุ้นให้เกิดความกำนหกดกำนดโยงใจมาเลยโดยเฉพาะเลย ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่นะฮะเป็นปัญหาภูเขามากๆเลยในวงการพระศาสนาเราเนี่ยตั้งแต่โบราณกาลมาเนี่ ย, ยนักบวชผู้หญิงถูกผู้ชายทําลายนักบวชผู้ชายถูกผู้หญิงทําลายซะเยอะมากจนถือว่าเป็นบนชินของกันแลยกัน มีเทวดามากราบทุนถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นบนทินของพรหมจรรย์พระเจ้ารับสั่งว่าผู้หญิงเป็นบนทินของพรหมจรรย์พระตอบผู้ชายนะฮะตอบเทพบุตรทีนี้ถ้าผู้หญิงถามว่าอะไรเป็นบนทินของพรหมจรรย์ก็ตอบว่าผู้ชายเป็นบนทินของพรหมจรรย์พระตอบผู้หญิงคือถ้าเรามองด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยคล้ายๆกับ อย่างคนสมัยนีย้พูดไปทำนองว่ากดขี่ทางเพศดูหมินสตรีเพศไรต์อะไรมันคนละประเด็นนะคนละประเด็นกันไม่ใช่เรื่องดูถูกดูหมินอะไรนั้นคือความจริงเพราะโลกมันก็มีคนในสองเพศนี้ที่ยุ่งยุ่งอยู่เนี่ยแม้จะมีเพศอะไรพิเศษขึ้นมาก็ยังไม่ยุ่งเท่ากับสองเพศแรกหรอก ว่าจำนวนก็ยังน้อยอยู่แต่ต่อไปก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการมองร่างกายให้เห็นว่าเป็นกองเป็นที่ประชุมขององลุ่มคนและฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดเนี่ยสแสดงให้เห็นว่าร่างกายเป็นของปฏิคูนแล้วก็แยกก็เป็นธาตุสี่เป็นดินน้ำลมไฟอากาศ ตามลักษณะของส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเป็นร่างกายแข็งแข็งก็ถือว่าเป็นดินเอิบอาบซึมซับไหลไปมาได้ก็เป็นธาตุน้ำมีลักษณะพัดหมุนได้ก็เป็นธาตุลมมีลักษณะเปาแพรนได้ก็เป็นธาตุไฟยวนึงก็ดูซากศพ มีสติระลึกน้อมจากศพมหาเราน้อมจากเราไปหาศพเป็นศพกับเราก็คือกันศพก็เป็นศพอยู่ในขณะปัจจุบันเราก็จะเป็นศพในอนาคตแต่เราก็เคยเป็นศพมาในอดีตและในปัจจุบันเราก็คือศพที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นศพเป็นวันหนึ่งเราก็เป็นศพตายวันก่อนนีนมีลูกศิษย์เข้าไป ทำบอลลูนหว้ใจมาแต่ว่าอาการเขายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เา ก, ก, ก็แสดงความมิตกกังวลก็บอกว่าเราทำมาก่อนเธอนะแล้วเราก็ทำไม่เสร็จอีกเส้นหนึ่งนี่ทำไม่ได้เพราะมันงอแล้วแกก็ถามว่าจะทำยังไงบอกจะทำยังไงก็มาด้วยกันก็ไปด้วยกัน เวลาเราตายเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้หรอกแล้วเราทำหรือไม่ทำาไดจริงเราก็ตายไม่ไปติดใจอะไรมันออกตายเมื่อไรก็ตายเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราใจนว่าการตั้งใจสมมติว่าเรามองอย่างเงี้ยไอ้การค ข, ขว่คว้าเพื่อจะปลนปลือตัวเองมันน้อยลงเพราะว่าไม่กี่วันเราจะตายแล้ว ถ้าฟังลองนึกดูสมมตินะสมมติว่ามีคนบอกว่าอีกเจ็ดวั น, นเราจะตายมีคนเอาเงินมาให้0ันล้านมีข้อแม้ว่าคุณจะกินอะไรก็ซื้อเอาคุณต้องการอะไรก็ซื้อเอาแต่ห้ามไปเอาบริจาคห้ามไปช่วยคนอื่นนะฮะคือหมายความบบปลนปลื้เฉพาะตัวเองเราความรู้จะไปทำอะไรอ่ะ เพราะยังไง7็ดวันเราก็กินไม่ได้กี่ตังค์อ่ะควาอยากที่จะได้เงินนั้นมันไม่มี<ต>เพราะไรเพราะรเรารู้ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะใช้จ่ายเงินนั้นพรเจ็ดวันเราก็ตายแล้วนานมาแล้วนะเคยเล่าเรื่องเจ้าชายติดสะหรือเจ้าชายวีทศุกพระนุชาของพระเจ้าอโศกมาราช ท่านมีความรู้สึกว่าพี่ชายนั้นทุ่มเทกับพระมากเกินไปพวกพระเหม็นทำอะไรกินกินแล้วก็นอนอยู่สบายสบายไม่ได้ทำามากินอะไรพระเจ้าโศกท่านทำทีเป็นกิ้วนะแล้วก็ให้ครองราชสมบัติเจ็ดวันเธอเป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ็ดวัน พอครบเจ็ดวันแล้วฉันจะประหารเถอเจ้าชายก็กระสับกระสายในตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินนี่แหละทําอะไรไม่ถูกพอครบเจ็ดวันก็เรียกเขามาสอบถามเป็นไงสบายดีไหมเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็ลสบายอะไรมนันนับวันตายใกล้เข้ามาทุกลมหายใจเขาออก พระเจ้าโสดก็บอกว่าเหมือนการพระคุณเจ้าที่น้องไปคิดอย่างนั้นน่ะท่านไม่ได้คิดอย่างที่น้องคิดหรอกท่านคิดถึงความตายที่รอท่านอยู่ข้างหน้าเนี่ยท่านก็รีบเร่งที่จะหลุดรอดจากความแก่เจ็บตายโดยต้องการหลุดรอดจากความเกิดคือถ้าไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วก็ในที่สุด ไม่เลือกเอาไ้จะเอาอะไรท่านพอเข้าข้าวประเทศไทยท่านก็ขอบวชนะครับก็เป็นพระหานที่มีบทบาทสำคัญที่เกิดจากอะไรเกิดจากสติมันพิจารณาหินโทษของราชสมบัติตัวเองครอบรองมันมีลักษณะเหมือนกับเรือนที่ถูกไฟไหม้มัน ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรากำลังจะตายแล้วในที่สุดเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกนี้มันจะกลายเป็นครูหมดเลยพวกศพทั้งหลายก็จะกลายเป็นครูลมหายใจก็จะกลายเป็นครูอิเดียบทก็จะกลายเป็นครูผมคนแล้วผนังก็จะกลายเป็นครูธาตุั้งสี่ก็จะกลายเป็นครูสักศพเองก็กลายเป็นครูหรือว่าดูที่ตัวเวทนา การที่จิตสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่จะทุกข์ไม่จะสุขก็ตามเอาสาอย่างก่อนนะฮะเวทนานี่พูดไปเยอะจนถึงร้อยแปดนะเวทนานี่พูดไปถึงร้อยแปดเราก็ดูให้ได้สามข้อซะก่อนคือสุขทุกข์ก็ไม่ทุกข์ไม่สุขโดยเห็นว่าทั้งหมดมันมันไม่นิ่งเลยสักอย่างเดียว มันมีลักษณะเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยสุขก็อยู่ไม่นานทุกข์ก็อยู่ไม่นานกลางกลางก็อยู่ไม่นานมันเป็นการเกิดดับที่ต่อเนื่องกันไปแล้วก็ฉียิบดูไม่ทันด้วยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป คือมาอยัางอยากจะดูกล้องที่เขางานวิจัยทางแพทย์เสร็จสมุติเราหยดหลุดหยดเลือดลงไปแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงการขยายตัวของไอ้พวกส่วนต่างๆเสนตต่างๆอันนี้จริงมันเป็นวิปัสสนาเป็นการเกิดดับของสังขารทั้งหลายมันเกิดดับถึงหน่วยย่อยที่สุด แล้วก็จนถึงหน่วใหญ่ที่สุดก็ตอนต้นเดือนปฏิการมีการพูดเรื่องเคลื่อนใต้น้ำกันเยอะคือเคลื่อนใต้น้ำเนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะฮะว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่คนพอใจเพียงพวกเดียวเราจะให้คนยอมรับเราหม ด, หมหมดทั้งประเทศนี่ไม่มีอะ ไม่มีใครทําได้อย่างที่โบราณท่านบอกว่าอันนินทากาเลมันเทน้ำมาชอกซ้ำเหมือนมีดมากรีดหินแม้องุงพระปริมาอย่างราคินคนเดินดินก็จะพ้นคนนินทาตอนภารกิจของเราก็ทําไปทํายังไงว่าอะไรนะท่นายกสุรยุทธ์บอกว่าโปรง่งใส นะแล้วก็สามคำนะฮะปรง่งใสมีประสิทธิภาพประหยัดแล้วก็ตอนปลายสุดนี่เป็นประโยชน์สุดก็หน้าที่เราก็ทำไปคลื่นก็คลื่นไปมันคนลเรื่องหมายความมาเราแล่นเรือเราก็แล่นไปคลื่นมันก็คลื่นไป คนละเรื่องกันนะ่ะแต่เราไปยึดโยงกันไว้แล้วทําอะไรไม่ได้เราภารกิจของเราก็คือการดํารงตนอยู่ในความสุจริตพุเจ้าส่งเน้นย้าถึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริตอย่าประพฤติ ธ, ธรรมให้เป็นทุจริตพระธรรมที่ประพฤติดีแล้วจะนําความสุขมาให้ คนที่เขาก่อกวนคนเขาบุ่นเราก็ เ, าเป็นอกุศลนเจตนาของเขาแล้วเราก็ต้องถือว่าเป็นสิทธิของเขาอย่างหนึง่งเมื่อเราสมัครใจจะเป็นประชาธิปไตยก็<า>ยคือสิทธิอย่างหนึ่งก็ปล่อยเขาไปก็ดีคือต้องพร้อมที่จะฟั ง, งความเห็นแตกตา่างมันไม่ใช่ว่าคนทุกคนต้องเห็นตามเรา รัฐบาลนี้ก็มาจากการเลือกตั้งคนยังไม่เห็นตามหมุดเลยนับภาษาอะไรกับรัฐบาลที่มาในรักนาเนี้อันนี้คือมีสติมีสติแล้วก็เว้นรอบและรับผิดชอบในส่วนของเราและการยังอื่นเนี่ยมันก็จะลดความเข้มข้นรุนแรงลงไปเพราะพรดูเวทนาดูที่กายดูที่เวทนาไอ้กามราคะมันก็ไม่มีที่เกาะ เขมันเกิดขึ้นตังอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วไม่รู้จกรรักกามราคาไปทําอะไรก็สมมติว่าผู้หญิงกับผู้ชายเขารักกันมากแล้วก็พอแม่ไม่พอใจก็จับให้ไปอยู่ในห้องเดียวกันอีกสามวันจะฆ่าให้ตายอย่างเงี้ยสมมติ มันไม่เป็นสุขหรออยู่ไม่เป็นสุขแล้วความรักมันไม่มีแล้วมันรับตัวเองแล้วจะเอาตัวรอดแล้วไอ้คิดจะหนีแล้วเพราะเราก็ลังดูที่จิตจิตยิ่งไปใหญ่เลยเกิดดับฉียิบเลยยุ่งไปหมดดูที่ธรรมะทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งทีง่เป็นกลางกลงมันก็เอเข้อจริงก็คือตกอยู่ในกฎของไตรลักณ์ คือไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดระยะเวลามันก็ไม่มีอะไรที่พอจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเราเราเหนว่าคำกล่าวของเทวดาที่ท่านบอกว่าเมืองก็ขอกที่ แต่คนที่ถูกประหารคําว่าประหารในความหมายเดิมเนี่ยมันไม่ใช่ฆ่าตายคือถูกแทงถูกฟันถูกยิงเนี่ยเขาเรียกถูกประหารหรือแม้แต่ตีด้วยมือเนี่ยเขาเรียกประหารแต่คําว่าประหารที่เราไาใช้นี่คือตายแต่บาลีไม่ตายนะประหารเนี่ยถ้าตายคือฆ่าเลยปิฆาาฆ่าอะไรต่อะไรเนี่ย แต่ว่าถ้าประหารไม่เงื้อมือจะตีเนี่ยเงื้อมือจะประหารตีเนี่ยเขาเรียกประหารเลยประหารด้วยมือประหารด้วยตาตาประหารด้วยไม้พลองนะประหารด้วยก้อนอิฐอะไรเนี่ยเห็นนะฮะมันไม่ตาย อ, อ่ะเพราะงั้นมันก็ต้องถอดออกได้คือถ้าตายแล้วก็ถอดถอดไม่ได้อถอนหอกออกมาไม่ได้ เป็นการแสดงให้เห็นว่ากิเลสดิมไม่ใช่จิตอะจิตก็ไม่ใช่กิเลสเพราะาเราดึงกิเลสออกจากจิตได้หรือว่าสลัดกิเลสออกจากจิตได้เหมือนกับเราถอนห อ, อกที่มีคนก็แทงมาได้มองแล้วน่ากลัว อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนนะที่ว่าพระเจ้ารับสั่งแสดงนี่คือภาพมันชัดมากภาพครอบครัวภาพครอบครัวจามาจะบวชนานไปหน่อยปีนี้ก็ห้าสิบเอ็ดแล้วคือแม้แต่กลับไปเยี่ยมญาติโยมทุกวันก็ญาติโยมก็มีน้อยแล้วเหลือไม่กี่คนเนี่ยเราก็ไม่ไปที่บ้าน ตอนนี้ที่ไปบ้านอยู่คนเดียวคืออาอายุ99แล้วไปเยี่ยมอาคนเดียวคนหนึ่งก็ไม่ไปคือเรารู้สึกว่าบ้านนี่แม่มันยุ่เยี่ยจังมันไม่สงบแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราก็ทุกคนก็ต้องทิ้งบ้านมันมีบ้าน สังคมเราเป็นเรื่องแปลกก็คงจะไม่ใช่สังคมมนุษย์ไม่ใช่ไม่ใช่สังคมไทยนะสังคมโลกนี่แหละคือเราเห็นว่าการยื้อแย่งเพื่อครอบครองเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็ น, เ พ, เ, ปนเพื่อเป็นเจ้าครอบเจ้าของเนี่ยมันมีตลอดมายัางนั่งนึกจุนึกว่านวนิยายเรืเ่องละครอะไรต่ออะไรของไทยเนี่นะ จะไม่มีการริษยาการแข่งดีการแย่งผัวเมียแย่งหญิงแย่งชายกันแย่งมรดกกันอะไรต่ออะไรเนี่ยเออมันเขียนได้หรือเปล่าเนี่ยเขียนอนุญากเรื่องหนึ่งที่ไม่มีเรื่องเหล่านี้เลยอะ่ะแล้วคนจะดูหรือเปล่าเพราะสังคมมันนำเสนอแต่ด้านคนรับใช้กิเลสดูช่องไหนก็ดูไปเถอะ อ่านหนังสืออะไรก็อ่านไปเทะเรีก่กเราอ่านไปสักบทเนี่ยมันนึกข้าวได้แล้วนะอย่างสมัยหนุ่มๆ น, นี่เคยอ่านเรื่องจีนเมือ่อก็นานไม่เข้าใจอ่านจนเข้าใจไเพอเข้าใจเนี่ยไปสักบทเดียวดูออกต่อไปอะไรจะเป็นยังไงเนี่ย เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าสังคมช่วยกันสะท้อนภาพที่ไม่รุนแรงได้ไหมที่ไม่กระตุ้นราคะไม่กระตุ้นโทสะไม่กระตุ้นโมหะไม่กระตุ้นโลภะแต่กระตุ้นธรรมะเนี่ยดูแลสงบเย็นมันเหมือนกับอะไรอะวันที่ในหลวงเสด็จออกมหาสมาคมที่มีการบรรเลงเพลงโอ้เพลงอะไร กเรียกเพลงนิพานเป็นการอธิบายถึงสภาพจิตที่เจริญสมถกรรมฐานไปเรื่อยๆมันดึงจิตเข้าหาความสงบแล้วก็กล่อมใช้ประกอบการนั่งสมาธิได้สบายนะเะรนี้มีบทสวดในลักษณะนี้เยอะ ของอินเดียก็าพุทธังธรรมังสังขังสานังกระฉามีแต่วิธีสวดเขานี่หมมันส ง, งบส ง, งบมันกล่อมแม้แต่วนน่านอนเนี่ยนะฮะคือเราเปิดแล้วก็ไม่กี่จบก็หลับแล้ว่งสงบคือใจเราอยู่ด้วยอนุสติทีนี้คนที่ถูกห อ, อกแทงเนี่ยมันเจ็บคนที่ถูกไฟเผา มันก็ร้อนรน้นอนท่านยิ่งอุปมาสองอย่างนะตรงนี้ก็ราคาเนี่ยเหมือนกับหอกเหมือนถูกแทงด้วยหอกหรือเหมือนกับไฟไหม้ศีรษะพระพุทธเจ้าทรงยอมรับนะฮะแต่ว่าทรงเปลี่ยนทุกท่านเราสังเกตนะฮะลองสังเกตว่าเป็นการเปลี่ยนที่สาวลึกเข้าไปหา แต่ต้นเหตุที่ให้เกิดการมราคะรับสั่งว่าภิกษุพึงมีสติเว้นรอบเพื่อละสักกายทิจชิเหมือนบุรุษถูกประหารด้วยหอกและเหมือนบุรุษที่ถูกไฟไหม้บนศีรษะเป็นไม่เหมือนกันหมดเลยเว้นคาเดียวคือเทวดาใช้คำว่าการมราคะแปลว่าจิตที่กําหนัดด้วยอำนาจของความใคร่ ในสิ่งที่จิตมันใคล้ายเทวดาทรงเปลี่ยนเป็นสักยัติทิฏฐิสักยัติทิฐิคือความเห็นเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนมีตนเป็นขันห้าขันห้าเป็นตนตนมีในขันห้าขันห้ามีอยู่ในตนเป็นตัวตนแล้วก็อะไรหล่ะทุกวันเป็นแฟชั่นเด็กก็นิยมใช้ก็อยู่ทางผักได้เนี่ยสามจังหวัดผักได้ก็ได้อัตลักษณ์ อัตลักษณ์ที่จริงก็คืออัตตานะฮะอัตตาว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องเป็นอย่างนี้เราต้องเป็นอย่างโน้นมันเป็นการสร้างขึ้นมาโดยพื้นฐานความรู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นแล้วก็เป็นกระแสที่สร้างขึ้นวอัตลักษณ์เราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งมันเป็นอาการของโมหะ หมายความคนไทยสมมุติเราคิดยรกษาอัตลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ยกตัวอย่างว่าคนไทยทางภาคใต้สมัยมาเป็นเด็กเอาเอาสมัยมาเป็นเด็กนี่มันมันไม่เรียบร้อยนะแต่งเนื้อแต่งตัวก็นุ่งผ้าสรุปบางทีก็นุ่งผ้ า, าขามาผืนหนึ่งแล้วก็เขียนพุงผืนหนึ่งแล้วก็ผ้าบาบผืนหนึ่งแล้วโป้หัวผืนหนึ่ง แล้วก็ผู้หญิงนี่มีลูกคนเดียวก็ไม่สวมเสือ้อละงูผ่าพื้นเดียวก็เดินไปงั้นนะเราจะนึกวเออมันก็เปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยขึ้นนะอัตลักษณ์เดิมไม่ได้เป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วถ้าเราไปกลับสู่อัตลักษณ์ตัวนั้นนะเพราะอัตลักษณ์เนี่ยที่จริงไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป มันเป็นความเหมาะสมในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแต่เมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนวันก่อนยังฟังพี่น้องของผู้ตายในเหตุการณ์ตีตักใบพูดแสดงความชื่นชมยินดีต่อรัฐบาลที่ให้เงินไปสี่สิบสองล้านเนี่ยนะ ปอเฟังเอ๊ะเขาพูดไทยได้ชัดนานะเนาะพูดภาษากลางได้ชัดเลยและทำไมไม่พูดละ่ะเราก็เป็นคนไทยอะ่ะคืเนี่ยคือคื อ, อคุณอยู่ฝรั่งเศสคุณก็พูดภาษาฝรั่งเศสคุณอยู่อังกฤษคุณพูดอังกฤษคุณอยู่อเมริกาคุณก็พูดอเมริกาเพราะคุณเป็นเชื้อชาติ เอาและเชื้อชาติสมุนติว่าเชื้อชาติมาเลเซแต่สัญชาติก็อเมริกาแล้วถ้าคุณพูดภาษาของคุณคุณก็ติดต่อกับคนอเมริกาก็ไม่ได้คุณก็ต้องพูดแล้วคุณก็จะเจริญก้าวหน้าไอ้แม่นักวิจารณ์เด่นๆดังๆเยอะนะของโลกอิสราเลเนี่ยเพราะว่าเขารักษาเฉพาะจุดที่ควรรักษาการแต่งเนื้อแต่งตัวการพูดจาอะไรๆต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลย แล้วเขาก็เข้ากับใครได้นะ่ะอย่างเช่นพวกระดับทูตอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าต้องปรับอันตษณ์เยอะต้องปรับเยอะถ้าไม่งั้นมันมันเป็นทูตไม่ได้หรอกเพราะทูตที่ต้องปรับตัวเข้าหาคนอื่นก็ได้เพราะในศักก์ยที่ถีดจริงๆก็นำไปสู่อันตษณ์เป็นต้นเหตุของคําว่าอันตษณ์เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้น แต่อย่าลืมว่าเรานั้นเปลี่ยนแปลงความเป็นก็ต้องเปลี่ยนแปลงความเป็นเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงอั ต, ตาราต่างๆเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวเองคงไว้เฉพาะในส่วนที่ไม่เครียดไม่เกิดมานะไม่เกิดยกตนข่มท่านไม่เกิดดูหมิ่นท่านไม่เกิดตีเสมอท่านแล้วเราก็เข้าอะไรกับใครได้ อย่างนานมาแล้วที่เคยเล่าให้ฟังว่าเราไปประชุมที่โรงแรมเอ็มบัตเดอร์ที่พัทยาประชุมเรื่องสาสศสาสนาสนสัมพันธ์นะฮะห้าศาสนาอัลมาเป็นตัวแทนพุทธแต่เป็นวิทยากรบรรยาย แล้วเราก็เข้าห้องน้ำนะฮะพอออกมันจากห้องน้ำเนี่ยก็เจอศาสนาอื่นก็ทักทายพูดคุยกันแต่สิ่งที่มันประทับใจเนี่ยคือเป็นอิสลามจากจังหวัดกระบี่ก็ไม่ได้ถามชื่อวันนั้นอนะแกเห็นแกยิ้มร่ามเลยนะยิ้มร่าม เ, าเดินมารังอย่างเร็วแล้วถึงก็จับมือแสดงความดีใจ แสดงความสนิทสนมคุ้นเคยแล้วประกายตาเนี่ยมันเป็นมิตรมันอบอุนอ่นน่ะนั่นก็แสดงว่าแกก็ทำลายอันตรักของแกไปเยอะแต่กลายเป็นภาพที่อบอุน่นสวยงามแสดงความเป็นมิตรต่อมาก็มาประชุมที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติท่านไมเคิลคารินันมีชัยเนี่ย พอเห็นดันรี่เข้ามาจับมือเป็นสัมผัสที่อบอุ่นเป็นสัมผัสของความเป็นมิตรมากๆแล้วก็ท่านอาจารย์สวรรัสดอาจารย์สวรรัสดท่านเป็นผู้ใหญ่นะฮะก็คุยกันแล้วก็อบอุ่นนันก็แสดงว่าถ้าท่านคงเอกลักษณ์เอาไว้เนี่ยมันมันก็ไม่สนิทสนมกันขนาดนั้น เพราะอัตตาเนี่ยถ้าดาบใดที่อัตราเรายิ่งใหญ่เนี่ยกามราค่าจะเพิ่มโลภะจะเพิ่มมานะจะเพิ่มตัณหาจะเพิ่มเพื่ออะไรเพื่อตอบสนองอัตรายัางยันเช่นในวงการทูตเนี่ยนั่งรถยี่ห้อธรรมดาไม่ได้มันเสียศักดิ์ศรีของทูตรถต้องขนาดบีเอ็มขนาดเบนต์ต้องนั่งรถอย่างนั้นน่ย สิ้นเปืองเยอะเงินทองสิ้นเปลืองไปเยเงินทองก็แผ่นดินที่เติมเพื่อเพื่ออะไรเพื่อคงอัตลักษณ์ของตัวเองเลยเพราะงั้นถ้าเราไปลดตัวตัวตัวสักยะทิฐิได้รู้สึกว่าเป็นเราเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรแต่แรงต่างๆนี่เราเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปปลนเปลืออะไรตัวมากเกินไปการมราคาก็จะลดเองเพราะไม่รู้จะตอบสนองอะไรอัตราเราไม่ได้ใหญ่อะไรนักหนา องนีก็ได้นั่งอะไรก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกินข้าวครุกกะปิก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันก็มือแกนเนี่ยจะม็ประโยชน์ด้วยกันท่นี้พระอัตลักษณ์เนี่ยทำให้มองเห็นเวลาในเอกสารที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนี่เยอะมากตอนนี้อัญญายกันเยอะพูดจากันเยอะแต่เราก็ไม่เห็นว่าท่านเหล่านี้แสดงว่า เศรษฐกิจพอเพียงเพราะการเป็นอยู่ของท่านเนี่ยมันหรูเลิศเกินน่ะนันก็แสดงว่าอะไรล่ะแสดงว่าส ก, กัยดยติถิมันไม่ลดเพราะในการมราคาไม่ลดโลภะไม่ลดตัณหาไม่ลดมานะไม่ลดแล้วก็ยังลุกเสยรู้สึกเป็นอัตตาตัวตนที่เขื่องมากอยู่ แต่นายพระพเจ้าจึงสอนมุ่งไปสู่ชี้ตัวรากง้าวของมันแต่ไม่ใช่รากจริงๆแล้วนะมันยังมีอวิชชาเป็นรากอยู่แต่นี้ก็เป็นการพู้กเทวดาก็แสดงให้เห็นว่า เ, าเทวดาเองก็คงจะมีอัตตาคือเครืองนะพระพุทธเจ้าก็คงรู้ด้วยพยานว่าอันนี้มันยังเครื่องอยู่เลยก็ มาเน้นที่ตัวเหตุอีกทีหนึ่งแต่อย่าลืมว่าสักยาติทิติกับกรมราคะนี่เขาอิง ก, กันอิงกานใส่ซึ่งกันและกันสักยาติทิติลาได้ก่อนกรมราคะกรมราคะลาได้ยากกว่าเราว่ากรมราคะที่ละเอียดนะฮะเขาเรียกว่ารูปราคะมันเป็นระดับพระหารลาได้แต่สักยาติทิติเนี่ยคนระดับโสรบันท่างก็ลาได้ ต้องกาลองสังเกตนะเป็นการแสดงถึงมรรคคือสัมมาสติในความเป็นสติเนี่ยก็คือสัมมาปยามะสัมมาสมาชิตสมาทิฏิสัมมา ส, สังกัปปะแล้วก็สัมมาวิจารสมากรรมตะมันก็เกิดร่วมที่นี่กรรมราคาก็คือสมุ ท, สทัยศาสตร์าณทิฏฐิก็คือสมุทยัยสติก็คือเหมือนกันคือสัมมาปยามะ วันธรรมะในพระพุทธศาสนาทั้งหมดเราจะพูดสักกี่ปีก็ได้นะฮะและจะอยู่ในเวทวงของอริยสัจสี่เนี่ยไม่ไปไหนหรอกชั่วกับชั่วการตู้ชั่วนิรันดรจะอยู่ในเวทวงอริยสัจสีตลอดเพราะไม่มีอื่นไปจากอริยสัจสีอีกแล้วทั้งโลกิยธรรมได้โลกุตรธรรมนั้นสรุปรวมลงที่อริยสัจสี่ถือว่าเป็นความรอบรู้ที่ยิ่งใหญ่มากๆ เราเรียกว่าศัตรูพะสามารถย่อส่วนของโลกลงเหลือแค่อริยสัตว์สี่ลงเหลือแค่นามรูปในภาคปฏิบัติลงเหลือคำเดียวว่าอัปปะมาตคือยอา ป, ประมาตนี่แหละคือศัตรปเราจะเห็นว่าความรอบรู้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆแต่มีข้อแม้ว่าต้องปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติแล้วมันจะแตกกิ่งก้านสาขาออกอีกอนเนกอันนันมากมายกายกองจนนับหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้ทั้งฟังเท่าไหร่เสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองงามไพบูรในธรรมจงมีแด่ท่าน ทุกฟ th ังทังลายโดยทุกันทุกท่านถือ